ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็ขอมาพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทในหัวข้อชื่อเรื่องว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกที่แล้วมาได้พูดถลักษณะของคนชั่วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเราเป็นสังคมกับคนชั่วหรือว่าคบค้าสมาคมกับคนชั่ว เราก็ชั่วไปด้วยแล้วก็ได้พูดถึงลักษณะของคนชั่วไว้หลายประการแล่ ว, ว่าถ้าจะพูดเรื่องในลักษณะของคนชั่วเรื่องการชั่วมันก็จบไม่ได้เหมือนกันไม่มีทางจะจบเป็นอันว่าขอสรุปว่าเราจางจงอย่าคบคนชั่วแล้วก็อย่าคบอารมณ์ชั่วของจิต ถ้าว่าเราไม่คบคนชั่วแต่ว่าเราครบอารมณ์ชั่วของจิตเราก็ต้องชั่วไปด้วยอย่างบุคคลที่เขาเรียกกันว่าบัณฑิตคือเป็นผู้รู้ได้รับการยกย่องส่งเสริมมาจากสถานบันใดก็าตามคําว่าบัณฑิตในสถาบันต่างๆเป็นลักษณะของบัณฑิตที่รับความรู้มาจากสัญญา แราไ้ว่าอาจจะเป็นชนชั้นปัญญาบ้างได้ยังไงก็ขอพิจรารณากันดูเพราะการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัญญามากกว่าปัญญาที่ว่าสัญญาก็คือความจําพยายามจําต ำ, ำรับตำราไว้เป็นอันมากนถ้าหากว่าท่านมีสัญญามากคือความจําได้มากแล้วก็ใช้ปัญญาด้วย ช่วยประกอบความรู้ก็เป็นความประเสริฐและยิ่งไปกว่า น, นั้นการศึกษาวิทยาการต่างๆถึงแม้ว่าเราจะรู้อะไรดีมากสักเพียงใดก็ตามทีถ้าในเขตของพระพุทธศาสนายังไม่ถือว่าเป็นคนดีถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้สําหรับคนดีนั้นอยู่ที่ความประพฤติ จะรู้มากรู้น้อยไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความประพฤติถ้าคนที่มีความรู้มากแต่มีจิตอกตัญญูไม่รู้คนคนอย่างคนดีเขา ย, ยกย่องสนเสริญตั้งไว้ในฐานะมีตำแหน่งดีๆแต่ด้วว่าภายหลังกลับคิดตีค่ายเค่งฆ่าทำลายล้างบุคคลผู้มีคนอย่างนั้น สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเขาผู้นั้นก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันเป็นคนชัว่วเป็นอันวารสรุปได้ว่าถ้าเราจะเป็นคนดีตามกติของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงช่วยหรือว่าพุทธศาสนาคือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วย ก็ช่วยให้มีความรู้สึกรับผิดชอบในจิตใจของตนเองว่ามีอะไรบ้างที่ผิดกฎหมายมีอะไรบ้างผิดกฎข้อบังคับในขอบเขตที่ตนปฏิบัติมีอะไรบ้างที่ผิดต่อระเบียบประเพณีและมีอะไรบ้างที่ผิดตอ่อศีลธรรมทําให้บุคคลอื่นรับความร้าวร้อน และผลนั้นมันจะสะท้อนเข้ามาถึงตัวแม้ว่าผลนั้นจะเขสะท้อนทังตัวชา้าหรือเร็วก็ตามเราจะไม่คำหนึ่งก็ได้คํานึงแต่เพียงว่าถ้าทําอย่างนั้นเราถูกกระทําบ้างเราไม่มีความสบายใจเพียงเท่านี้ก็เชื่อว่าเราหลีกเล้นจากการเป็นคนผ่านได้ ร่อหลีกเล่าการครบคนผ่านได้เพราะกำลังใจของเราดีเป็นนั้นว่าเรื่องของการครบผ่านเรื่องคบคนชั่วพักกันไปตอนนี้ไปเราก็มาพูดถึงคนดีคนดีจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนำในการปฏิบัติไม่มากและยัอยกโค้กข้อที่องค์สมเด็จพระพู้มีพระพ่าเจ้าทรงแนะนำว่าคนทุกคน ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้โลกจะมีความสุขลักษณะของคนดีก็คือหนึ่งมีอารมณ์รักมีอารมณ์สงสารมีอารมณ์ไม่ฉาดิสยาซึ่งกันและกันยินดีเมื่อบุคคลอื่นมีลาภสการะหรือมีความดีและวางเฉยเมื่อเหตุ ที่เพื่เกิดขึ้นนั้นมันมีความผิดตามกฎหมายตามกฎข้อบังคับแล้วก็ผิดประเพณีนิยมผิดศีลผิดธรรมถ้าอาการอย่างนั้นบังเกิดขึ้นกับเราหรือมันเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเราจะไม่สแสดงการกโกรธหรื่อาการเคยียดแค้นกับกฎหมายหรืองประเพณีกฎข้อบังคับศีลธรรมที่จะลงโทษเรา อาการอย่างนี้เป็นลักษณะของคนดีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคนดีก็เป็นคนขี้อายเป็นคนกลัวเกรงกลัวอยู่เสมออายอยู่เสมออีกประการหนึ่งคนดีมีความกตัญอยโรูรู้คณคนเมื่อบุคคลใดเป็นผู้มีคนให้ความสุขให้ชีวิตให้ความเอือ้อเฟือ้อแก่เรา เราก็สนองความดีของท่านด้วยความดีของเราอันลักษณะของคนดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระเยซีทรงแนะนําว่าเราจะต้องคบคนประเภทนี้จึงจะมีความสุขโลกจะมีความสุขคนอื่นก็สุขเราก็สุขคนทั้งโลกก็สุขเมื่อโลกทั้งโลกมีแต่คนดีจะมีอะไรมาเป็นทุกข์ เนีลองมาคุยกันเถอะนะคนดีสู่กันฟังพระพุทธเจ้าทงกัดว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติความดีตามนี้โลกจะมีความสุขหนึ่งทุกคนต่างคนต่างรักกันเสียให้หมดมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ประทุษร้ายซึ่งกันและกัน ไม่ยุอย่งทรัพย์ ส, สินคดโกงทรัพย์สินทำลายทรัพย์สินซึ่งกันและกันไม่ยุยงคนรักของกันและกันไม่พูดวาจาที่ไม่จริงไม่พูดวาจาหยาบคายไม่ไม่ไมยุยงส่งเสริมให้แตกดาวกันไม่พูดวาจาที่เสเถือนใจใช้แต่ ว, วาจาที่สดจริงใช้วาจาอ่อนหวาน วาจาที่กล่าวไปก็เป็นวาจาที่สร้างสรรค์ความสามาคัคคีความรักส่งกันละกันใช่แต่วาจาที่เป็นประโยชน์ไม่ไม่สร้างความสะเทือนใจเขาบุคคลใดให้ปรากฏแล้วจงเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีอารมณ์คิดไว้เสมอว่าเราจะรัก คนอื่นละสัตว์อื่นเสมอในชีวิตของเราเราจะเมตตาสงสารเขาทาั้งรังทั้งหลายเหล่านั้นให้มีความสุขไนคิดย่อยๆ อ, อ, อย่างนี้เอาแค่การรักก่อนถ้าคนทุกคนต่างคนต่างรักกัน<ม>ก็เรามานั่งคิดว่าโลกนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือความมีความทุกข เมื่อคนทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสก็ห้ากันทุกคนต่างก็มีความดื้นเริงหันษาเจียหน้ากันมาไรยิ้มกันมานั้นเมื่อมีความรักกันมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันแต่โลกนี้จะมีความสดชื่นแจ่มใสและโลกนี้จะเต็มไปด้วยความร่าบร้อนคนทั้งโลกทั้งหมดนี้เห็นใจกัน คิดว่าเรากับเขามีความรักสขเรียดทุกข์ไหมกันตื่นขึ้นมาเมื่อไรกว่าจะหลับลงไปจิตใจของเราไม่ประกาศเป็นศัตรูกับบุคคลอื่น <c oughs> มีอารมณ์รักมีอารมณ์แช่มชื่นอยู่ในจิตเจอหน้ากันที่ไหนสแสดงการรื่นเริงหันษาเพร่อหน้าความรัก้วยความจริงใจลองคิดอย่างนี้ ว่าโลกนี้จะมีความสุขและโลกนี้จะมีความทุกข์เอาตัวของท่านเป็นเครื่องวัดแต่หากว่าท่านไปในสถานที่ใดมีคนทั้งหลายในเขตนั้นเห็นหน้าท่านต่างๆคนต่างยิ้มต่างคนต่างเห็นใจท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านผู้แปลกหน้าไปใหม่ าะในเขตนั้นเป็นบุคคลที่รักสำหรับเขาอย่างนี้ท่านจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วเขาเหล่านั้นก็มีความสุขแระคนที่คนอื่นแสดงความรักสแสดงความเมตตาปราณีส่วนใหญ่ ถ, ถ้าไม่ใช่คนที่มีสัญญาวิปลาสเขาก็ต้องรักตอบ ในอันดับที่สองท่านบอกว่าทุกคนจะมีความสงสารซึ่งกันและกันรักแล้วก็สงสารต่างคนต่างเกื้อกูลกันให้มีความสุขความจริงคนทุกคนกันต่างคนต่างเกื้อกูลกันให้มีความสุขนี้เราก็ไม่ต้องไปจ้างให้ใครเข้ามายึดทรัพย์ยึดสิ่งของเรา และเขามาแบ่งเฉลีย่ยให้กับเราไม่มีความจาเป็นต่างคนต่างมีความรักต่างคนต่างมีความสงสารความสงสารนี่ก็เป็นการช่วยเหลือกิจการงานที่มีความจำเป็นหรือว่าเกื้อกูลในด้านทรัพย์สินต่างๆถ้ามีความจำเป็นเช่นบ้านใกล้เรือนเคียงป่วยไข้ไม่สบาย ไม่มีคนรักษาพยาบาลเราก็ช่วยในการรักษาพยาบาลขาดทรัพย์ขาดสินเราก็ช่วยเหลือในทรัพย์สิน <p> เขามีความ้องต้องการในแรงงานแต่แรงงานบ้านเขาไม่พอเราก็ช่วยเหลือเมื่อเรามีกิจการงานขึ้นมาบ้างมีการอย่างนั้นขึ้นมาบ้างเขาก็ช่วยถ้าต่างคนต่างช่วยกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขหรืว่าโลกจะมีความทุกข์ ถ้าอารมณ์อย่างนี้มีเป็นปกติสำหรับทุกคนพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าโลกมีแต่ความสุขโลกนี้ไม่มีความทุกข์ท่านลองนั่งลึกดูสิว่าโลกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนอยู่เวลานี้เราอาศัยอะไรเป็นสำคัญ ถ้ากล่าวกันไปจริงๆตามคติของชาวบ้านก็ถือว่าการเห็นแก่ตัวเป็นสาคัญการเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งการคิดจะทำลายบุคคนอื่นอย่างหนึ่งการอากรตันโยไม่รู้คนคนอย่างหนึ่งนี่ทำให้โลกเราร้อนการเห็นแก่ตัวทำยังไงมีการเห็นแก่ตัวก็คือหนึ่ง ไม่เคยคิดว่าการประหัดประหารบุคคลอื่นให้ได้รับความตายก็ดีการบทุสไยบุคคลอื่นให้รับความลําบากทางร่างกายก็ดีและกา ร, ก, ารกล้งแกล้งให้เกิดความทุกข์ใจก็ดีอารมณ์อย่างนี้ไม่มีสําหรับคนดีแห่ตัวแล้วก็เอารัดเอาเปรียบกันด้วยการทั้งปลวกการเอารัดเอาเปรียบ ใจน้อยต้องการมากสร้างสมทรัพย์สินไว้เป็นส่วนตัวแล้วก็เปรียบปุคคลผู้อื่นอย่างพ่อค้าแม่ขายโกงแต่ช่างโกงวัตถุของเลวขายเท่าราคาของดีแล้วก็บอกว่าของดีของน้อยขายเท่าราคาของมากแล้วก็บอกว่าเป็นของมากการซื้อสรรพวัตถุไว้เป็นส่วนกลาง ที่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เหช่สมบัติของตนโดยตรงก็พยายามโกงราคาบวกราคากันเข้าไปของถูกซื้อแพงนี่เป็นลักษณะของคนเหลวหิ้งเกตัวแต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อปรากฏขึ้นมันก็มีผลสะท้อนมาถึงตนเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นความลับ คนจะกินคนจะโกงคนจะคิดคตรทรยศประเภทใดก็ตามทีจะไปมั่วสมวางแผงกันที่ไหนก็ตามถ้าคิดว่าเป็นความลับแล้วได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าอะไรก็ตามถ้ารู้ถึงหูที่สี่แล้วสิ่งนั้นไม่เป็นความลับ เรื่องที่รู้ทั้งหูที่สี่ก็คือคนที่สองคนหนึ่งมันมีสองหูถ้าลงเรื่องนั้นแ พ, พร่งพลายไปในหูที่สี่มันไม่มีความรับแล้วก็ลักษณะกินลักษณะโกงทั้นหลายเหล่านั้นที่เบียดเบียนเอารั ด, เ อ, ด, เ, อดเอาเปรียบชาวบ้านมันจะมีอะไรเป็นความลับจึงได้มีข่าวทั้งหน้าหนังสีพิมพ์อยู่เสมอเสมอ ว่าคนนั้นกินอย่างนั้นคนนี้โกงอย่างนี้นี่เป็นลักษณะของคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี่บางทีเราเห็นหน้าเขากำลังจะเห็นว่าเขาไม่น่าจะสดใสแช่มชื่นแต่เนื้อแท้จริงๆและใจเต็มไปด้วยความทุกข์ เ, รเกรงว่าปากกับใจที่พูดไปไม่ตรงกัน ปากบอกว่าซื่อสัตย์สจริตมีความบริสุทธิ์ทำงานเพื่อชาติทำงานเพื่อศาสนาทำงานเพื่อพระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อเพื่อประชาชนชาวไทยแต่ถ้ว่างานนั้นเมื่อตนเข้ามารับไม่ช้าไม่นานเท่าใดฐานะที่ต่ําต้อย ก, ก็กลายเป็นมหาเศรษฐี แทบนาจวั ส, สนาที่มีที่คนเขายกย่องแต่งตั้งขึ้นมาควบคุมการงานบริหารแทนตนก็มีจิตทรยชนคือคิดคดทรยศไม่ซื่อสัตย์วาจาที่ให้ไวและยิ่งไปกว่านั้นคนไปเห็นแกนตัวนี้กลับทำลายบุคคลผู้มีคุณคิดอยากจะขับไล่สายสงคนที่มีคุณให้พ้นไปจาก ไปจากกิจการงานที่ตนจะพึงทําถ้านี้เพราะอะไรก็เพราะว่าความชั่วของตัวมันมีอยู่นเมืม่อความชั่วแพร่หลายไปในหมู่ประชาชนเราเองจะมีความสุขและความทุกข์ถ้าเราเป็นผู้กระทำนี่สาหรับคนที่ถูกกระทําเขามีความทุกข์คนที่มีความทุกข์เขาก็อดอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องยืน่นโย น, ยนความทุกข์ส่งคืนมาให้เรา เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ได้บอกให้เราทําเมื่อเราจะมาเราบอกว่าเราจะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสทําทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ว่าทําจริงๆเรากับคดโกงตัวหน้าทีงานที่ควรจะทํามากเราก็ทําน้อยผลประโยชน์ที่ได้มาในทางทุจริตที่เราคิดว่าไม่ควรทํา เคยด่าคนอื่นเข้ามาบ้างก็มีแต่งานประเภทนี้มาถึงตัวเขับเรากับทําตนในเ้าด่าซะอีกจะได้รู้เท่าไม่รู้เท่าไม่เท่าทันสถานการณ์หรือว่ารู้เอ่อรู้ไม่ทั่วรู้ไม่ถึงเป็นอันว่าอย่างนี้เป็นลักษณะของการเห็นแก่ตัวที่ว่ารู้ไม่ทั่วรู้ไม่ถึงนี่นก็เคยมารู้คิดว่าถ้าเราโกงเขาได้มันก็ดี แต่เรืมคิดไปว่าคนโกงๆที่ก่อนหน้าเราจะเกิดมานี้แล้วว่าเกิดมาแล้วทุกคนที่โกงมีชาว้านรู้ทั้งหมดมีลักษณะรกายเห็นแก่ตัวนี้ไม่ใช่ลักษณะของคนดีคนดีเขาไม่เห็นแก่ตัวคนดีพระพุทธเจ้าสรงแนะนําว่าจงตามทําตนเป็นคนดีก็คือหนึ่งเมตตาความรักต่างคนต่างรักกัน การรักจะรักแบบไหนรู้จักแนะหมดทุกคนยิ้มแยม้มแจ่มใสเข้าหากั น, สนแสดงให้ความเป็นมิตรซึ่งกันและกันไม่คิดปรหัดประหารไม่คิดยื้อย่งทรัพย์สมบัติทำลายเอาทรัพย์สมบัติเขาโมกคนอื่นมาเป็นของตนไม่ยื้อแย่งความรักเขาโมกคนอื่นพูดดีสติสมชัญญาดีนี่เป็นลักษณะหนึ่งที่เราจะควรจะคบคนประเภทนี้ว่าท่านเป็นคนดี ด้การดีสองท่านทมีจิตสงสารคอยเกื้อกูลให้มีความสุขช่วยเหลือทุกอย่างตามกําลังของท่านที่จะช่วยได้คนอย่างนี้เป็นคนดีสําหรับเราหรือว่าเป็นคนเลวสําหรับเราเราะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเอาใจเราองเราเข้าไปเปรียบเทียบเราคิดว่าอาการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับเรา คนทัานหลายเขาแสดงความรักเราคนทัานหลายเขาแสดงความสงสารเพื่อคุณเราให้มีความสุขเราจะมีความสุขเราจะมีความสดชื่นว่าหรือว่าเราจะมีความทุกข์เราจะมีความแห้งแล้งแรงแค้นใจลักษณะต่อไปของคนดีที่องค์สมเด็จพระจิน ศ, ศรีทรงสอนนั่นก็คือคนที่ไม่มีอารมณ์อิจฉานิสัยกว่าคนอื่น ถ้าเรากับเขาเรียนมาด้วยกันเรากับเขาปฏิบัติงานพร้อมกันและก็ไปงานอย่างเดียวกันบังเอิญเพื่อนดีไปกว่าเรามีวาสนาบารมีดีกว่าได้รับเลือ่อนในเลือเล่อนยศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งสูงกว่าเราก็มีช้าคิตสัาเขามองดูความดีของเขา ว่าเรามีความรู้เสมอกันเข้าทำงานพร้อมกันทำไมเขายิ่งก้าวหน้าดีไปกว่าเราว่าดูในด้านลักษณะของความดีว่าการงานของเราที่ทำมันบกพร่อ ง, งตรงไหนตรไหนบ้างเราก็แก้ไขตัวเราให้ดีเหมือนเขาเราก็จะดีเท่าเขามี่ลักษณะคนดีที่สามนลักษณะคนดีที่สี่ก็คือว่า ไม่ทําใจให้เดือดร้อนในเมื่อกฎหมายกล่าวไว้บอกว่าถ้าใครทําผิดแบบนี้ต้องลงโทษหรือว่ากฎข้อบังคับเฉพาะเขตเฉพาะกลุ่มวางไว้บอกว่าถ้าทําแบบนี้ผิดและเมื่อบทบรรญายนข้อนี้ต้องถูกลงโทษหรือว่าประเพณีนิยมในเขตนั้นเขามีไว้อย่างไร ถ้าฝ่าฝืนก็จะถูกคนดาใบชาชนันหลายลงโทษเป็นอนวุวาเราก็นั่งมองคิดว่าถ้ า, าการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราและเกิดขึ้นกับตัวเราเองกฎหมายเขาวางไว้สำหรับคนทั้งประเทศต้องประพติปฏิบัติถ้ามีเพื่ออะไรก็เพื่อความอยู่เป็นสุข หรือว่ากฎ บ, าบังคับเฉพาะหมู่คณะเ ข, า, ขาวางไว้ทําไมก็วางไว้เพื่อ ห, หมู่คณะนั้นมีความสุขมีการปฏิบัติพุทธบำบัดเสมอกัารบ้าเพลนีนิยมในท้องถิ่นก็เหมือนกันที่เขาวางไว้นั้นก็เพื่อความอยู่เป็นสุขในหมู่คณะของเขาหรือว่าในเขตของเขาถ้าเราเป็นคนโทรคนอื่นทําร้ายในการละเมิกดกฎหมาย เราเป็นถูกคนอื่นกลแกล้งในการละเมิดกฎข้อบังคับเราเป็นคนถูกคนอื่นเขาละเมิดระเบียบประเพณีแต่เราเป็นผู้ทรงอยู่ในกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับปฏิบัติตามระเบียบประเพณีเมื่อร เ, เราถูกกระทำเข้าอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรความไม่ส บ, บายใจมันก็ปรากฏ เพราะว่าสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นกับเราและคนอื่นที่บุกมีบุคคลบางคนไปทำอย่างนั้นเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าบังเอิญตัวเราเองก็ดีเพื่อนของเราเองก็ดีคนที่เรารักเคารพ ก, ก็ดีไปละเมิดกฎหมายละเมิดกฎข้อบังคับละเมิดระเบียบประเพณีและก็ต้องถูกลงโทษานุโทษ ตามกดที่วางไว้ทั้งสามประการตอนนี้เราก็ต้องทำใจวางเฉยทำใจเป็นกลางรือว่านั่นเป็นกรรมของเขาที่เขากล้ากระทำความชั่วตัวก็ต้องถูกลงโทษเราก็ไม่ไปโกรธคนลงโทษไม่ไปโกรธผู้พิพาทสาตุลาการและท่านผู้มีอมนาจที่ลงโทษตามกฎหมาย ในลักษณะความดีข้อที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศ า, าสันดาลสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่าจงคบคนดีอย่าคบคนชั่วถ้าบาังเอิญคนทั้งโลกดีอย่างนี้ทั้งหมดต่างคนต่างรักกันหมดต่างกาันต่างคนต่างสงสารเกลื่อกูลือ่งกันเละกัน ไม่เอารับไเอาระเปรียบกันช่วยเหลือซึ่งแต่กันด้วยกำลังปัญญากําลังกายกําลังทรัพย์คนไม่รับการเกื้อกูลก็ไม่ได้เปรียบเขาเคยรับแต่การเกื้อกูลเสมอว่าต่างคนต่างทําเขาให้ทรัพย์เรามาเราไม่มีทรัพย์ให้เป็นเครื่องตอบแทนเราก็ให้กําลังกายช่วยเหลือกายง่ายของท่านให้ความเคารพ ถ้าคนทั้งโลกเป็นอย่างนี้ทั้งหมดท่านคิดว่าโลกนี้จะต้องจ้างรัฐบาลจ้างข้าราชการจ้างตำรวจจ้าทหารไหมช่วยก้าวใจคิดว่างบประมาณแผ่นดินงบประมาณของโลกที่ปรากฏในปัจจุบันต้องวางกฎหมายกันบูดืนดานมีเจ้าหน้าที่ไอ้เจ้าหน้าที่ที่วางไว้ก็ดีบ้างไม่ก็จะดีบ้าง ขณาที่จะเข้ามาก็บอกว่าจะทําดีเมื่อเข้ามาแล้วก็ทําไม่ดีดีหรือไม่ดีก็ตามเราก็ต้องจ่ายเงินเราก็ต้องเสียภาษีก่อนอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะเราไม่รักความดีกันถ้าคนทั้งโลกรักความดีกันแล้วก็โลกจะมีความสุขจะมีความทุกข์จะต้องเสียอะไรบ้างอาราบันดาท่านผู้ฟังสําหรับวันนี้มันก็หมดเวลาเส่นแล้ว ก็เลยยังไม่จบลักษณะของคนดีในลักษณะที่สองที่ทำให้โลกเป็นสุขมเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี